เราศึกษาธรรมะไม่ใช่ยากนะยิ่งไปวาดภาพว่าธรรมะเป็นอะไรที่ไกลแสนไกลต้องปฏิบัติกันนานเป็นแสนแสนชาติว่าจะบรรลุอะไรนี้ยคิดอย่างนั้ น, ม, นมันถูกเหมือนกันนะแต่เราอาจจะเป็นชาติที่แสนแล้วก็ได้ใครจะรู้ <c oughs> ล่ะ<ๆ>งั้นบางคนมันคิดถึงธรรมะคิดในทางบัณฑ์ทอน ท, ทำลายขวัญตัวเอง ทำให้ท้อแท้ในความเป็นจริงแล้วธรรมะไม่ได้ยากเท่าที่เราคิดหลอกการปฏิบัติน่ยธรรมะก็ไม่ใช่ของลึกลับธรรมะเป็นสิ่งซึ่งปรากฏอยู่ต่อหน้าต่อตาเราไม่เคยหายไปไหนเลยจะมีพระพุทธเจ้ามาตรัสรู้หรือไม่มีพระพุทธเจ้ามาตรัสรู้ธรรมะก็อยู่ต่อหน้าต่อตาเรานี่แหละไม่เคยหายแต่ว่าคนทั่วไปมองข้ามไป เหมือนอย่างอากาศเนี่ยพวกเราอยู่ในอากาศนะอากาศทับตัวเราอยู่ตลอดตั้งแต่เกิดมาเรารู้สึกว่าตัวเราโปร่งโงไม่มีอะไรทับมันเคยชินเราไม่รู้เราไม่เห็นนั้นธรรมะอยู่ต่อหน้าต่ตามาแต่ไหนแต่ไรไม่เคยหายไปไหนแต่เราไม่รู้เราไม่เห็นบางทีอยากได้ธรรมะก็เที่ยวสแสวงหาออกไปที่อื่นคี่ว่าธรรมะอยู่ที่พระอยู่ที่วัด อยู่ที่โ น, น้นอยู่ที่นี่อยู่ที่กาลยานมิตรนีพวกเราชอบพูดถึงกาลยานมิตรแนะนําบางทีมาเล่าให้หลวงพ่อฟังว่ากาลยานมิตรแนะอย่างนั้นอย่างนี้เราฟังฟังเอออันนี้ก็กาลยานมิตรนะแต่อันนี้เขาเรียกว่าปาปมิตร <c oughs> มันไม่ใช่กาลยานมิตรบางทีสอนมั่วนะถ้าสแสวงหาธรรมะเนี่ยไม่ต้องไปสแสวงหาที่อื่นธรรมะอยู่ที่กายกใจของเรานี่เอง ธรรมะที่เป็นกายเรานี้เรียกว่ารูปธรรมธรรมะส่วนจิตใจเรียกว่านามธรรมให้เรียนรู้รูปธรรมนามธรรมนี้ให้ถ่องแท้เถอะเราจะแจ้งธรรมะอีกชนิดหนึ่งซึ่งพ้นจากรูปธรรมนามธรรมคือพันิพันรูปธรรมนามธรรมพวกเราก็มีอยู่แล้วมีอยู่กับตัวอยู่แล้วงั้นแบบฝึกหัดบทเรียนนะวัตถุตัวอย่างที่เราจะศึกษาเนี่ยมีอยู่พร้อมแล้ว ยิ่แต่ไม่รู้วิธีศึกษาไม่รู้ว่าต้องศึกษาใ น, นเราได้ฟังธรรมที่พระเจ้าท่านคุณก้ามาเราต้องศึกษาตัวเองศึกษาสิ่งที่เรียกว่าตัวเราเองก็คือกายนี้ใจนี้นั่นเองถ้าศึกษาได้ท่องแท้ก็จะเห็นความจริงของกายเห็นความจริงของใจว่ามันไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาไม่ควรยึดถือว่าเป็นตั ว, เ ป, ตวเป็นตนของเราอะไรเนี่ยแค่เห็นความจริงของกายของใจนั่นแหละ การปฏิบัติธรรมก็มุ่งมาตรงนี้เท่านั้นเองมุ่งให้เห็นความจริงของกายของใจความจริงของกายของใจนั้นแสดงอยู่ตลอดเวลาแต่ว่าเราไม่ดูเรามัวหลงไปอยู่ที่อื่นหลงออกข้างนอกหรือไม่ก็หลงไปอยู่ในโลกของความคิดเพราะความคิดนี่แหละศัตรูตัวชะกาจชกันเลยที่ปิดบังความจริงเอาไว้ธรรมดาของจิตนั้นต้องมีอารมณ์จิตต้องอยู่กับอารมณ์เสมอ เมื่อไรมีจิตเมื่อนั้นต้องมีอารมณ์เมื่อไรมีอารมณ์เมื่อนั้นต้องมีจิตจิตกับอารมณ์เป็นของที่เกิดร่วมกันเกิดอยู่ด้วยกันถ้าเรามีจิตนะเราเป็นคนดูลงไปดูลงไปที่อารมณ์อารมณ์เป็นของถูกรู้อารมณ์แปลว่าสิ่งที่ถูกรู้อารมณ์มีหลายอย่างอารมณ์ชนิดแรกเรียกว่าอารมณ์บัญญัติอารมณ์บัญญัติคือเรื่องราวที่คิดขึ้น เรื่องราวที่คิดเนี่ยไม่ใช่ความจริงอย่างเราจะคิดว่าเราเป็นนางงามจักรวาลก็ได้คิดว่าเราเป็นนายกรัฐมนตรีก็ได้ไหมแต่มันไม่ได้เป็นคิดว่าเราเนี่ยหล่อที่สุดเลยสวยที่สุดเลยทั้งๆที่คล้ายอึ่งอ่างคังโคกเลยนะเราก็ว่ามันสวยมันงามคิดเอาได้คิดได้ไหมคิดได้แต่ว่าไม่ใช่ความจริงความคิดนั้นน่ะไม่ใช่ความจริง เป็นสิ่งที่จินตนาการขึ้นมาความคิดหรือเรื่องราวที่สมมุติบัญญัติขึ้นมานี่แหละเป็นอารมณ์ชนิดแรกที่จิตไปรู้เข้าอารมณ์ชนิดต่อมาเรียกว่าอารมณ์รูปนามก็คือรูปธรรมนามธรรมซึ่งมีจริงๆรงิรูปธรรมมีจริงๆนะเป็นวัตถุธาตุเนี้ยประกอบด้วยธาตุดินน้ำไฟลมมีจริงๆรงิวัตถุก็มีสี่อันใช่ไหมมีดินน้ำไฟลม ตั้งอยู่ในช่องว่างในสเปซในอากาศสุธาตุนมามธรรมก็มีสอันเวทนาคือความรู้สึกสุขรู้สึกทุกข์รู้สึกเฉยเฉยสัญญาความจําได้ความหมายรู้สังขารความปรุงดีความปรุงชั่วปรุงไม่ดีไม่ชั่ววิญญาณคือความรับรู้อารมณ์คือตัวจิตนั่นเองที่เกิดทางตาหูจมูกลิ้นกายใจนี่เป็นส่วนของนมามธรรมจะทำวิปัสสนาเนี่ยต้องรู้อารมณ์รูปนาม นะเห็นความจริงของอารมณ์รูปนามไม่ใช่รู้อารมณ์รูปนามอย่างเดียวต้องเห็นความจริงคือเห็นไตรลักษณ์ของอารมณ์รูปนามถึงจะเรียกว่าวิปัสสนากรรมฐานถ้าเห็นอารมณ์บัญญัติเนี่ยเราคิดขึ้นมาว่าร่างกายเราเป็นปฏิกูณาสุภาอะไร น, นี่เรื่องคิดขึ้นมาเรียกว่าอารมณ์บัญญัติไม่ใช่วิปัสสนาถ้ารู้อารมณ์รูปนามเช่นเราเห็นท้องพองท้องยุบท้องพองท้องยุบเราเห็นอยู่แค่นี้เราไม่ได้มองในมุมของไตรลักษณ์เรเห็นแต่ตัวท้อง หรือเดินจงกลมเราเห็นแต่เท้าเคลื่อนที่ไปนะเพ่งอยู่ที่เท้าดูท้องก็เพ่งอยู่ที่ท้องอันนี้เป็นการเพ่งรูปเพ่งนามหรือเพ่งจิตให้นิ่งอยู่ดูจิตก็ไปเพ่งจิตให้นิ่งอยู่การเพ่งกายการเพ่งจิตถึงจะรู้กายถึงจะรู้จิตก็ไม่เป็นวิปัสนาเพราะไม่เห็นไตรลักษณ์อย่างดูท้องพองยุบนะถ้าเราเห็นแต่ท้องพองท้องยุบนะก็เป็นสมถะในการเพ่งเพ่งอะไรเพ่งกระสีนั่นแหละ เพ่งวัตถุถ้าจะเป็นมิปัสสนานะต้องดูไตรลักษณ์เออตัวที่พองไม่ใช่เราตัวที่ยุบไม่ใช่เราอย่างนีนะ้เห็นด้วยความรู้สึกไม่ใช่ด้วยความคิดเอานะอารมณ์ชนิดที่3ามชื่ออารมณ์นิพพานนี่อารมณ์มี3มชนิดนะอารมณ์บัญญัติอารมณ์รูปนามอารมณ์นิพพานนิพพานนั้นพ้นจากรูปนามไปนิพพานมีอยู่จริงๆไม่ใช่อุดมคติ ที่พระพุทธ เ, เจ้าแต่งขึ้นมาแต่งขึ้นมาเพื่อปลูกใจให้คนสร้างแต่ความดีศา ส, สนาพูทไม่ได้มุ่งมาที่ความดีงดเงี้ยพระเจ้าท่านสอนเลยเรามาบวชเนี่ยไม่ใช่เพื่อศีล น, นะไม่ใช่เพื่อสมาธินะไม่ใช่เพื่อปัญญานะไม่ใช่เพื่อสิ่งเหล่านี้เลยศีล ส, สมาธิปัญญานี่เป็นเรื่องของคุณงามความดีนี่เป็นทางผ่านเท่านั้นเองเราจะเอาแก่น แก่นแท้คือความหลุดพ้นความพ้นทุกข์ความดับสนิทแห่งทุกข์จะมุ่งมาที่ตัวนี้เพราะไม่ใช่เรื่องมุ่งเอาดีเพราะฉะนั้นศาสนาพุทธนี่ไม่ใช่ว่าพูดถึงนิพพานนะเพื่อจะมาหลอกล่อให้คนมีกําลังใจทําความดีอันนั้นตื้นไปเข้าใจศาสนาพุทธผิดไปแล้วศา ส, สนาพุทธนี่ไม่หลอกล่อใครมีแต่ชวนให้ดูความจริงถ้ประจักษ์แจ้งในความจริงแนละมันจะปล่อยวางความยึดถือในใกาในใจเองมีคําว่าเองนะปล่อยเองทํำไมปล่อย ถ้าถ้ารู้ความจริงของกายของใจแล้วรู้เลยไม่ใช่ของดีของพิเศษมีแต่ของไม่เที่ยงของเป็นทุกข์เป็นอนัตตาจะเอามันทําไมเขนะารู้ความจริงก็ปล่อยรูปนามได้มันจะไปสัมผัสพระนิพพานรูปนามนะั่นแหละถ้าจิตเราไปติดอยู่ที่ตัวรูปตัวนามนะเราจะไม่เห็นพระนิพพานนะถ้าเราไปติดอยู่กับอารมณ์บัญญัติเราจะไม่เห็นรูปนามนะงั้นเราต้องเพิกอารมณ์พวกนี้ออกไปให้ได้เป็นลําดับลําดับไป อันแรกเลยต้องหลุดออกจากโลกของความคิดให้ได้เพื่อจะหลุดออกจากอารมณ์บัญญัติวิธีฝึกก็ทํากรรมฐานขึ้นสักอย่างหนึ่งพุทโธไปหายใจไปดูท้องพองยุบไปก็ได้นะแล้วคอยรู้ทันเวลาจิตมันไหลไปคิดพุทโธพุทโธจิตหนีไปคิ ด, ทท ร, ทท ร, คดรู้ทันหายใจไปจิตหนีไปคิดรู้ทันดูท้องพองยุบไปจิตหนีไปคิดรู้ทันขณะที่รู้ทันเมื่อจิตหนีไปคิดจิตจะหลุดออกจากโลกของความคิดชั่วขณนะมีคําว่าชั่วขณนะ ไม่หลุดตลอดจิตมีหน้าที่คิดเพียงแต่มันไม่หลงเพลินไปในโลกของความคิดเกิดความรู้สึกตัวขึ้นมาที่หลวงพ่อใช้คําว่าตื่นบ้างอะไรบ้างนะรู้ตัวแล้วตื่นแล้วอะไรเนี่ยก็าภาวะที่จิตหลุดออกจากโลกของความคิดนั่นเองหลุดชั่วขณะวิธีหลุดก็ง่ายๆนะพุโทโธไปหายใจไปจิตหนีไปคิดรู้ทันตรงที่รู้ทันว่าจิตหนีไปคิดนะจิตจะหลุดออกจากโลกของความคิดมาสู่โลกของความรู้สึกตัว ถ้ารู้สึกตัวก็สามารถรู้ความจริงได้แล้วเห็นของจริงได้แล้วถ้าหลงอยู่ในโลกของความคิดก็ไม่เห็นของจริงเพราะความคิดปิดบังความจริงไมหมดดังั้นเราจุดตั้งต้นจุดแรกเลยที่เราต้องพัฒนาตัวเองขึ้นมาก็คือต้องมาพัฒนาจิตใจให้หลุดออกจากโลกของความคิดมาอยู่ในโลกของความรู้สึกตัวโลกของผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานพุทโธไปหายใจไปนจิตนีไปคิดรู้ทันจิตนีไปคิดรู้ทัน ตัวรู้ก็อ่าหลุดออกมาหลวงพ่อไปเรียนจากหลวงปู่ดูลครั้งแรกนะวันที่6กกุมภาพันหาร้อหลายคนยังไม่เกิดไปเรียนกับท่านครั้งแรกท่านสอนให้ดูจิตตัวเองหลวงพ่อก็จะเที่ยวยจะดูจิตจะดูยังไงนะเที่ยวดูในกายก่อนแยกผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกนะแยกเป็นส่ว น, ส, ว น, ส, วนส่วนไปหาจิตเที่ยวสแสวงหาจิตรู้ว่าจิตอยู่ในร่างกายนะ แตไล่ไปทีละส่วนทีละส่วนไม่พบจิตเข้ามาคิดไหมหรือว่าจิตเป็นความรู้สึกสุขทุกข์เนี่ยไม่รู้จักจิตนะดูไปที่ความรู้สึกสุขทําสมาธิจิตมีความสุขดูไปที่ความรู้สึกสุขความรู้สึกสุขดับไปไม่เห็นมีจิตโผล่ขึ้นมานั่งนิ่งๆไม่กระดุกกระดิกนะให้มันปวดให้มันเมื่อยให้มันสดๆไปเลยดูไปความปวดความเมื่อยนะนั่งดูมไปเรื่อยความปวดความเมื่อยดับไปนะไม่เห็นมีจิตโผล่ขึ้นมาเลย หรือว่าจิตคือความคิดตอนนั้นยังไม่รู้จักคําว่าขันห้าจริงหรอกเคยแต่สวดมนต์แปลของส่วนโมกไปบวชรัชชนประธานก็สวดสวดไปงั้นแต่ไม่เข้าใจความหมายแล้คิดว่าหรือว่าจิตคือความคิดหลวงพ่อก็คิดเลยนะคิดบทสวดมนต์นั่นแหละพุทธโธสูุรโธกรุณามหันตโวพระพุทธเจ้าผู้บริสุทธิ์มีพระกรุณาดังห้วงมหันนกคิดบทสวดมนต์ขึ้นมาเห็นความคิดเนี่ยเลื้อยขึ้นมา ความคิดนั้นมันไหลออกมาจากความว่างๆนะเลื้อยขึ้นมาแล้วก็สลายเป็นจากสลายเข้าไปในความว่างอีกตรงที่เรารู้ทันความคิดที่ผุดขึ้นมาเนี่ยเลื้อยออกมาความคิดไหลออกมาเนี่ยพอเรารู้ทันปุ๊บนี่ยจิตติดตัวผางออกมาเป็นผู้รู้เลยเมื่อไหร่รู้ว่าจิตคิดเมื่อนั้นจิตรู้จะเกิดนะจิตรู้กับจิตคิดนักลับข้างกันถ้าเมื่อไหร่จิตคิดจิตรู้ก็หาย ถ้าเมื่อไหร่มีจิตรู้จิตคิดก็หายกลับข้างกันตลอดหลวงปู่ดูลเลยบอกคิดเท่าไหร่ก็ไม่รู้หยุดคิดถึงรู้รู้ก็คือมีตัวรู้ขึ้นมาแต่ว่าถ้าไม่ได้บอกให้เลิกคิดหลวงปู่ดูลบอกคิดเท่าไหร่ก็ไม่รู้หยุดคิดถึงรู้แต่ก็อาศัยคิดถ้าจิตเรายังต้องคิดอยู่ก็ให้มันคิดไปแต่คิดแล้วเกิดความรู้สึกอะไรขึ้นมาคอยรู้ทันตัวเนี้เราถึงจะเกิดปัญญาเห็นความเปลี่ยนแปลง เช่นเดี๋ยวเห็นจิตสุขเดี๋ยวเห็นจิตทุกข์เดี๋ยวเห็นจิตดีเดี๋ยวจิตร้ายนะความคิดมันเกิดขึ้นแต่ว่าก่อนจะถึงจุดที่เราจะเดินปัญญาได้นะเห็นว่าสุขเกิดก็ดับทุกข์เกิดก็ดับดีเกิดก็ดับชัว่วเกิดก็ดับต้องรู้สึกตัวให้ได้กันต้องหลุดจากความคิดให้ได้ก่อนสนะามใดที่ยังคิดอยู่จิตรู้ไม่มีนะนี่พอจิตรู้หลุดปุ๊บออกมารู้ทันพุทโธสุตสุตโธกรุณามหาันนโว พระพุทธเจ้าผู้บริสุทธิ์มีพระกรุณาดังพ่วงมหันนบจงใจคิดอันนี้ขึ้นมาพอจงใจคิดนี้รู้ว่าจิตคิดนะ้จิตรู้เกิดจิตรู้เกิดนั้นหลวงพ่อนึกได้เลยไอตัวนี้ของเก่าตอนที่หันนั่งสมาธินะมันมีตัวนี้อยู่แล้วเพราะฉะนั้นจิตรู้เนี่ยเกิดขึ้นได้ด้วยสองวิธีอันหนึ่งนั่งสมาธิในรูปแบบนี่แหละทําให้เต็มที่เลยนะจิตตั้งมั่นขึ้นมาเป็นผู้รู้ผู้ดูได้นะ จิตก็หลุดออกจากโลกของความคิดได้อีกวิธีหนึ่งก็คือรู้ทันว่าจิตคิดจิตรู้ก็เกิดแต่ตัวรู้สองตัวนี้เหมือนกันนะแต่คุณสมบัติไม่เท่ากันตัวรู้ที่เกิดจากการทําสมาธินี่จะทรงอยู่นานอยู่ได้หลายวันในขณะที่ตัวรู้ที่เกิดจากการรู้ทันว่าจิตหนีไปคิดนี่จะเกิดเป็นขณะขณะรู้ตัวขึ้นแวบหนึ่งเดี๋ยวก็หนีไปคิดใหม่รู้ตัวแวบหนึ่งเดี๋ยวก็หนีไปคิดใหม่แต่แค่นี้ก็พอแล้ว สำหรับการจะเจริญปัญญาเอามากเอาผลนะไม่จำเป็นต้องไปตั้งทรงอยู่ในฌานนา น, น, านๆหรอกไม่จาเป็นทำได้ก็ดีทำไม่ได้ก็ไม่ต้องเสียใจเส้นทางแห่งมักผลไม่ใช่เส้นทางเฉพาะผูกขาดของคนนั่งสมาธิเก่งๆคนส่วนใหญ่สมัยพุทธกาลก็นั่งสมาธิไม่เก่งอย่างหลวงพ่อเคยเล่าเรื่อยๆนะมีสติติพระพุทธเจ้าท่านตาลัดไว้เอง บอกในพระลราหารันหะ้า0้อยองนะมีพระละหันได้วิชาสามได้วิชาสามระลึกชาติได้รู้ว่าใครตายแล้วไปเกิดที่ไหนแล้วก็ล้างกิเลสได้3ข้อพระละหันที่ได้วิชา3มเนี่ยมี60องค์จาก500รนะ้แล้วพระลราหันที่ได้อภิญญาหอภินญาหกเช่นมีฤทธ์มีหูทิพตาทิพระลึกชาติได้เล่นอะไรแตกแตกไดนะ้มีคุณสมบัติพิเศษ ขประการข้อ6ก็คือค่ากิเลสตายเหมือนกันนะพระละหันที่ได้อภิญญารหกเนี่ยก็มี60องค์หกสิองค์นี้ต้องเล่นเล่นฌานนะพระวิชาสามนี่ก็พวกเล่นฌานรนะว ม, 120, มแล้วร้อยยี่สิบแล้วท่านบอกว่ามีพระละหันอีก60องค์เป็นอุพัโตภาควิมุตต์อุพัตโตภาควิมุตต์เนี่ยถ้าแปลมั่วๆนะบอกว่าบรรลุทั้งสมถะทั้งวิปัสนา ทั้งสมาธิทั้งปัญญาเนี่ยไอ้เน้นแปลอย่างนั้นไม่ถูกเพราะว่าทุกคนที่บรรลุธรรมเนี่ยบรรลุได้ด้วยสมาธิและปัญญาทุกคนอยู่แล้วนะแต่ทําไมเรียกว่าอุปโตภาคอุปโตภาคมาหลุดโดยส่วนทั้งสองหลุดจากรู ป, ปรธรรมนะด้วยการที่เข้าถึงอรูปฌานนะเราะนั้นพระอุปโตภาคเนี่ยไม่ใช่แค่ฌานสี่นะเข้าถึงอรูปนะแล้วก็หลุดจากนมามธรรมนะด้วยดวยวิปัสสนา หลุดจากรูปธรรมนะด้วยอรูปฌานะการบรรลุธรรมตั้งแต่โสาสัคตาคานาคาพระอรหันต์เนี่ยในขณะที่บรรลุเนี่ยจิตต้องทรงฌานจะไม่บรรลุจิตอยู่ข้างนอกเนี่ยจิตอยู่ข้างนอกอย่างพวกเราขนาดนี้จิตไม่มีคุณภาพพอเวลาที่จิตทรงฌานนั้นนะ เกิดความรู้ความเห็นอะไรขึ้นในฌานเนี่ยมันจะประณน็ลึกซึ้งมากเลยถึงขนาดฆ่ากิเลสได้อยู่ข้างนอกนี้เกิดความรู้ขึ้นมายังฆ่ากิเลสไม่ได้ได้แต่ข่มกิเลสนะงั้นพระอรหันต์เนี่ยหกองค์เนี่ยเทน้นได้ถึงอรูปรวมแล้ว60 60 60กสนะิ้อยแปดนะสามคือคนอย่างพวกเรานี่พวกที่ต้องใช้คณิกาสมาธิอย่างนี้หลยงั้นเราอย่าท้อแท้ใจนะ 64% เสียงส่วนใหญ่สมัยพุทธกาลก็คนอย่างพวกเรานี้แหละแต่มัน 99% ของคนยุคนี้นะไม่ใช่ 64% รุ่นเราเนี้ยหาคนทําฌานได้เนี้ยหานับตัวได้เลยที่เรียนกับหลวงพ่อมีอยู่บ้างนะแต่น้อยจริงๆเลยนับตัวได้ยุคนี้ไม่ใช่ยุค ข, ของคนเล่นฌานแนละเพราะฉะนั้นเราอย่าท้อแท้ใจว่าเข้าฌานไม่ไดนะ้บางคนไปสําคัญผิดนะมีความเชื่อต้องใช้คําว่าความเชื่อ มีความเชื่อผิดผิดไม่อยากเรียกว่ามิจฉาทิฏฐิรุนแรงไปมีความเชื่อผิดผิดว่าจะเดินปัญญาได้ต้องเข้าฌานได้ก่อนไม่ได้รู้เลยว่าการปฏิบัติธรรมนั้นมีสามเส้นทางใช้ปัญญานำสมาธิอย่างพวกเรานี้แหละดูความเกิดดับของจิตไปดูความเกิดดับของเจตสิกคือสิ่งที่เกิดร่วมกับจิตได้แก่ความสุขความทุกข์ความจำได้หมายรู้กุศลอกุศลทั้งหลายที่เกิดร่วมกับจิต แล้วตัวจิตเองที่เกิดทางทวารทั้งหจิตไปดูจิตไปฟังจิตไปคิดสิ่งเหล่นี้เกิดดับเนี่ยถ้าเราเฝ้ารู้เฝ้าดูไปด้วยนะในที่สุดมันก็ได้ธรรมะเหมือนกันนะลงมาที่เดียวกันนั่นแหละถึงความบริสุทธิ์อันเดียวกันนั่นแหละแล้วไม่แน่นะว่าไม่ได้ฉานดูจิตดูจิตนะ่ยจะถึงอุปโตภาคของง่ายๆเพราะว่าดูจิตนั่นแหละเป็นอรูปอยู่แล้วนะเส้นทางนะั้นบางเส้นทางเป็นปัญญานาสมมธิ รู้สึกตัวขึ้นมาเป็นขณะขณะดูกายทํางานดูใจทํางานไปนะดูนะไม่ใช่คิดคิดไม่ใช่วิปัสสนาะดังนั้นรู้สึกตัวขึ้นมาเห็นกายมันทํางานไปเออมันทําได้เองฮะมันเป็นแค่วัตถุธาตุมีธาตุไหลเข้ามีธาตุไหลออกมีความเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาอย่างร่างกายเราเนี่ยมีความเปลี่ยนแปลงตลอดมีความเคลื่อนไหวตลอดถึงนั่งนิ่งๆหัวใจก็เต้นตุบๆไปเรื่อยนะ ถึงนั่งอยู่เฉยๆก็ๆาหายใจเข้าหายใจออกมีธาตุไหลเข้าไหลออกตลอดเวลาเป็นแค่วัตถุเป็นแค่ก้อนธาตุไม่ใช่คนไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่เราไม่ใช่เขาอันนี้ไม่ได้คิดเอาแต่ถ้าจิตตั้งมั่นเป็นผู้รู้ได้นะแล้วดูลงมาในกายสติระลึกลงในกายจะเห็นได้กายไม่ใช่ตัวเราเห็นเองไม่ต้องคิดเนี่ยเดินอย่างนี้ก็ได้นะดูลงไปสติระลึกลงในกายเห็นกายไม่ใช่เรา ความสุขเกิดขึ้นในกายรู้ทันความทุกข์เกิดขึ้นในกายก็รู้ทันเห็นในความสุขความทุกข์ในกายไม่ใช่เราแล้วก็ไม่ใช่กายด้วยไม่ใช่จิตด้วยความสุขความทุกข์ความเฉยๆเกิดขึ้นในจิตก็เห็นอีกความสุขความทุกข์ความเฉยๆที่เกิดที่จิตไม่ใช่เราความโลภความโกรธความหลงเกิดที่จิตก็ไม่ใช่เราก็เป็นแค่สภาวะธรรมความสุขความทุกข์ก็เป็นแค่สภาวะธรรมความโลภความโกรธความหลงก็เป็นแค่สภาวะธรรม ร่างกายที่เคลื่อนไหวร่างกายที่หยุดนิ่งก็เป็นแค่สภาวะธรรมจิตที่รับรู้อารมณ์ที่ตาหูจมูกลิ้นกายใจก็เป็นแค่สภาวะธรรมดูลงไปเรื่อยมันจะล้างความเห็นผิดว่ามีตัวมีตนได้นะไปได้เหมือนกันอันนี้ใช้ปัญญานำสมาธินะเส้นทางที่สองใช้สมาธินำปัญญานี่เข้าฌานให้ได้ก่อนไม่ใช่นั่งสมาธิมาทั้งสิปีแล้วเข้าฌานไม่ได้แล้วที่จะตื้อนั่งไปเรื่อยๆนะหวังว่าวันหนึ่งจะนั่งได้แล้วมาเดินปัญญา ฌานนะ่ะเขาไม่ได้ทํากันชาติเดียวไม่ได้ทําชาติเดียวสําเร็จนะสะสมกันมานานข้ามภพข้ามชาติบางคนเขานั่งปุ๊บเขาก็รวมแล้วเ้าชํานาญเขาว่องไวสะสมกันมานานนี่ถ้าคนไหนสะสมมาทางทําฌานมามากนะจิตรวมแล้วเนี่ยออกจากฌานมาถึงจะเดินปัญญาออกจากฌานมาเดินปัญญาเดินปัญญาหลังจากออกจากฌานต้องดูกายดูกายหรือเวทนานะ กายหรือเวทนาเนี่ยหมาะกับสมถญ า, านิกหมาะคนเล่นฌานดูจิตไม่ได้หรือดูจิตไม่ได้เพราะอะไรออกจากฌานมาจิตนิ่งเลยไม่มีอะไรให้ดูว่า ง, างๆนิ่งๆอยู่ยนั้นไม่มีอะไรรักให้ดูหรอกแต่ต้องมาดูกายน้นบางคนเนี่ยเคยเจริญปัญญามาแต่ชาติก่อนๆนะพอจิตออกจากสมาธิปุ๊บมันดูกายเลยเห็นกายแยกออกสัหากเลยเห็นกายทํางานกายไม่ใช่เราไม่ต้องคิดเลย แต่บางคนนั้นติดความสงบภายในออกมาออกจากสมาธิแล้วยังติดความสงบออกมาข้างนอกนะจิตก็นิ่งอยู่กันทั้งวันนะไม่เดินปัญญาอันนี้ครูบาอาจารย์จะสอนอูบายอูบายนะอูบายไม่ใช่ไม่ใช่หลักอุบายก็คือให้คิดพิจารณาร่างกายไปเป็นการกระตุ้นให้จิตมันหัดมองความเป็นไตรลักษณ์ของกายเป็นแค่การกระตุ้นยังไม่ใช่วิปัสสนาะเพราะวิปัสสนาต้องไม่คิด หลวงปู่หลวงพ่อพุธท่านบอกนะสมถาเริ่มมาหมดความจงใจแล้ว ม, มาหมดความตั้งใจวิปัสนาเริ่มมาหมดความคิดยังคิดอยู่ไม่ใช่ไม่ใช่วิปัสนาวิปัสนาแปลว่าเห็นนะปัสตนาคือการเห็นนะไม่ใช่การคิดไม่ใช่วิตกนะั้นทางเดินที่2นะคือถ้าเข้าสมาธิแล้วออกมาดูกายดูเวทนาเลย ถ้าไม่เห็นความเปลี่ยนแปลงไม่เห็นไตรลักษณ์ของกายของเวทนาคิดพิจารณากายเป็นอุบายกระตุ้นไม่ให้จิตติดเฉยไม่ให้ติดนิ่งนี่เส้นที่สองเส้นทางที่สามเนี่ยทำสมาธิแล ะ, จะเจริญปัญญานี่ควบกั น, นอันแรกในใช้ปัญญานําสมาธิอันที่สองสมาธินําปัญญาอันที่สามควบกันคนที่จะใช้ปัญญากับสมาธิควบกันได้เนี่ยต้องชํานาญสองอย่างหนึ่งชำนาญในฌานสองชำนาญการดูจิต ชำนาญดูไกลไปควบกันในในฌานไม่ได้นะต้องดูจิตถ้าดูจิตชำนาญจริงนะในตำราพิธธรรมเขียนไว้เลยเรื่องซึ่งคนไม่พอนาจริงๆไม่เข้าใจเลยเขาบอกว่าพระอริยบุคคลนะที่ชำนาญในการดูจิตเนี่ยสามารถเจริญวิปัสสนาได้ในเนวสัญญาณสัญญาญาตนะในเนวสัญญานาีซึญญนะนนญญง่งสัญญาอ่อนแทบจะไม่มีความรู้สึกเหลืออยู่เลย ยังไีเจริญวิปัสสนาได้เฉพาะพระอริยบุคคลนะปุถุชนไม่มีนะต้องชํานาญในการดูจิตด้วยนะชํนานาญในฌานด้วยนะงั้นเล่นเล่นยากนะพวกอุปโตภาคนะจะเล่นพวกนี้ได้ชํานานนะบรรลุโดยส่วนทั้งสองนะงั้นถ้าเราไม่จำนานนะก็ไม่ได้แต่ว่าการเจริญปัญญากับสมาธิควบกันนะัมันมีสองระดับระดับหนึ่งเป็นสมาธิในขั้นอุปจารสมาธิ อีกอันนึงในขั้นอัปปนาสมาธิวิธีเจริญปัญญาไม่เหมือนกันในขั้นอุปจารสมาธิเนี่ยเรานั่งสมาธิไปนะจิตสว่างขึ้นมาจิตมีแสงสว่างนะแล้วก็เป็นปฏิภาคนะย่อดได้ขยายได้ถึงตรงนั้นเนี่ยแล้วก็จิตหยุดหยุดหยุดหนิ่งๆ น, นะแล้วมันมีความปรุงแต่งเนี่ยผุดขึ้นภายใน มีความปรุงผุดขึ้นภายในนะไหววิบวับ ว, ว, ว, วัขึ้นมาเจสเคยเห็นไหมเวลานั่งนะัมันจะไหววับวับวับวัขึ้นมานะบางทีก็เคลื่อนเคลื่อนอยู่ข้างในเราไม่ให้ถลําลงไปดูเราสักว่าดูอยู่นี่เราเดินปัญญาอยู่ในอุปจาระนะเราเห็นความปรุงนะั่นไหวอยู่ภายในไหวไหวไหวมีแต่เกิดแล้วดับเกิดแล้วดับแต่ไม่มีคําพูดนะจิตเป็นแค่คนดูอยู่อันนี้เดินปัญญาอยู่ในอุปจารสมาธิ ถ้าเดินปัญญาในอับปนานทำยังไงนะดูองค์ชานที่เกิดดับนะจิตมีวิตกจิตยังตรึกยังจับอยู่ในตัวแสงสว่างนะมันจะลงมาที่แสงสว่างนะอย่างเราจัดหายใจไปหรือเราทํากสินนะสุดท้ายมันจะกลายเป็นแสงสว่างเหมือนกันนะนะเอาแสงสว่างเป็นอารมณ์นะเป็นปฏิภาคนิมิตนะการที่จิตมันไม่ได้ไปรู้ที่แสงนะแต่มันจะรู้ทันจิต จิตมันไปจับเข้าเคลียร์อยู่กับแสงสว่างตรงที่จิตมันจับอยู่กับแสงสว่างเรียกว่าวิตกตรงที่จิตมันเข้าเคลียร์กับแสงสว่างเรียกว่าวิจารณพอรู้ทันว่าจิตเข้าไปจับแสงเนี่ยจิตจะคลายการจับออกวิตกวิจารณ์จะดับนะปีติเนีย่ยจะเด่นขึ้นมาสติระลึกรู้ปีติปีติจะดับให้ดูอีกมีความสุขเด่นขึ้นมาสติระลึกรู้ความสุขนะมันอันนี้อัตโนมัติดหมดเลยนะไม่มีการคิดนะ สตระรึกรู้ความสุขความสุขจะดับนะนะเกิดอุเบกขาแล้วนะจิตทรงอยู่กับอุเบกขาช่วงหนึ่งนะก็อาจจะเกิดปีติขึ้นมาอีกได้อาจจะเกิดวิตกขึ้นมาอีกได้นะเนี่ยจิตมันจะเคลื่อนขึ้นเคลื่อนลงอยู่ในองค์ชา้นนะเดี๋ยวก็ขึ้นชา้นนั้นเดี๋ยวก็ลงมาชา้นนี้กลับไปกลับมาการเข้าชาน้นออกชา้นเนี่ยไม่จําเป็นต้องเรียง1 2 3 4นะไม่ต้อง4321นะกระโดดขึ้นกระโดดลงได้แล้วแต่จิตนะแล้วแต่จิตถ้าชํานาญก็เลือกได้ ถ้าไม่ชํานาญจิตมันเป็นเองเดี๋ยวมันก็เข้าชาน้นนี้เดี๋ยวมัถอยมาชา้นนี้นะเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาแต่มันจะเห็นเลยว่าองค์ชา้นทั้งหลายเกิดระดับทั้งสิ้นนี่คือการเดินปัญญาในอัปปนาสมาธิไม่เหมือนเดินปัญญาในอุปจารสมาธิเดินปัญญาในอุปจารสมาธิมันจะเห็นความปรุงของจิตจิตมันยังตรึกยังตรองในอารมณ์อยู่ยังปรุงขึ้นมาอยู่แล้วเห็นมันเกิดดับเกิดดับเกิดดับนะพวกที่เดินอย่างนี้ได้เนี่ยมีโอกาสไปถึงอุปโตภาควิมุตตินะ มีครูบาจารย์องค์หนึ่งนะท่านพูดอย่างห้าวหาญเลยว่าท่านเป็นอุปโตภาควิมุตต์มีองค์เดียวใครรู้ไหมมีหลวงตามหาบัวองค์อื่นท่านอาจจะเป็นแต่ท่านไม่พูดนะหลวงตาท่านไม่กลัวใครท่านพูดหน้าตาเฉยเลยว่าท่านเป็นอุปโตภาคนะนี่เกเรียกว่าปัญญากับสมาธิควบกันงั้นเส้นทางเดินนะมีทั้งปัญญานาสมาธิอย่างพวกเราเนี่ยใช้ปัญญานําสมาธิเพราเราทําสมาธิไม่เป็น ปัญญานทำสมาธิก็คือจิตหนีไปคิดรู้ทันจิตก็รู้สึกตัวขึ้นมาชั่วขณะพอจิตรู้สึกตัวขึ้นมานะอย่ารู้สึกอยู่เฉยๆอย่าประคองความรู้สึกตัวอยู่นิ่งๆนะคอยรู้สึกอยู่ในกายคอยรู้สึกอยู่ในใจนะถ้ามันไม่ยอมรู้สึกก็มันสิการเลยน้อมไปน้อมไปรู้สึกในกายน้อมไปรู้สึกในใจแต่ไม่ได้ไปคิดนะไม่ได้ไปคิดเรื่องกายเรื่องใจนะแค่น้อมความรู้สึกเข้ามานะตรงที่น้อมความรู้สึกเข้ามาเนี่ยพระสมัยโบราณท่านก็สอน พระสารีบุตรเนี่ยสอนพระอนุรุษนะบอกว่าให้ท่านละรรสามประการนะคือคือมานะว่ากูเก่งนะความฟุ้งซ่านของจิตที่ชอบชอบสิ์ส่งจิตออกนอกไปดูสัตว์โลกตั้งพันจั ก, กรวาล น, นะแล้วก็ความลำคาญใจว่าเมื่อไรจะบะรรลุพระราหานนั่นสิให้ให้ท่านละรมสามประการนี้นะน้อมจิตไปสู่อมะตะธาตุน้อมไป แต่วิธีที่จะน้อมจิตไปสู่อมตะธาตุก็คือน้อมจิตถ้ามาเรียนรู้ความจริงของกายของใจของรูปของนามนี้แหละเป็นทางไปสู่อมตะธาตุถ้าเพิกรูปนามปล่อยรูปนามได้ก็จะไปเจอพนนันะิพัณฑ์พราะฉะนั้นพวกเราไม่ได้เข้าฌานนะทุกวันเราต้องซ้อมหาเครื่องอยู่ให้จิตไม่ถึงขนาดก็จะเข้าฌานแต่ว่าต้องมีเครื่องอยู่เช่นอยู่กับพุทโธอยู่กับลมหายใจอยู่กับท้องพองยุบนะอยู่กับการเคลื่อนไหวร่างกาย เลยดูจิตดูใจไปเห็นความเปลี่ยนแปลงของจิตทั้งวันทั้งคืนก็ได้เอาจิตเป็นวิหารเราทแต่ตัวนี้เล่นยากเอาพุทโธมาประกอบด้วยจะเล่นง่ายขึ้นเช่นพุทโธพุทโธแล้วรู้ทันจิตจะง่ายขึ้นให้เราทํากรรมฐานสักอย่างหนึ่งแล้วรู้ทันจิตอันนี้จะต่างกับสมถะสมถ ะ, ะเนี่ยทำกรรมฐานสักอย่างหนึ่งแล้วให้จิตไปอยู่กับอารมณ์กรรมฐานานั้นน้อมจิตไปอยู่ในอารมณ์กรรมฐานานั้นอันนี้ได้สมถะ ถ้าเราจะฝึกให้จิตตั้งมั่นเป็นผู้รู้ผู้ดูนะทำกรรมฐานอย่างหนึ่งนะแล้วคอยรู้ทันจิตเช่นหายใจไปจิตนี้ไปคิดรู้ทันจิตไปเพ่งลมหายใจรู้ทันพุทโธไปจิตนี้ไปคิดรู้ทันจิตไปเพ่งจิตให้นิ่งนิ่งว่างว่างอยู่รู้ทันการที่เราคอยรู้ทันจิตที่เคลื่อนไปนะจิตจะตั้งมั่นขึ้นมาเมื่อจิตตั้งมั่นนะให้ชานิชานานนะแล้วก็ตาหูจมูกลิ้นกายใจนีกระทบอารมณ์เข้าไปอย่าไปกลัวอารมณ์ ให้ตามมองเห็นรูปให้หูได้ยินเสียงจมูกได้กลิ่นนิ้นได้รสกายกระทบสัมผัสความเย็นความร้อนความอ่อนความแข็งให้ใจคิดนึกปรุงแต่งไม่ต้องไปห้ามมันนะความต่างกับผู้ให้ปฏิบัติมีนิดเดียวก็คือเมื่อมันกระทบอารมณ์แล้วนะเกิดสุข ก, ก็รู้ทันเกิดทุกข์ก็รู้ทันเกิดกุศลก็รู้ทันเกิดอกุศลก็รู้ทันต้องอาศัยการกระทบอารมณนะ์แล้วก็รู้ทันความเปลี่ยนแปลงของจิตใจไปนี่แหละการฝึกกรรมฐาน ในการเดินปัญญานะําสมาธิไปนะทํากรรมฐานอย่างหนึ่งจนจิตรู้สึกตัวขึ้นมาเป็นผู้รู้ผู้ดูนะแล้วก็ค่อยดูการทํางานของกายของใจวิธีให้กายให้ใจทํางานก็คือตาหูจมูกลิ้นกายใจกระทบอารมณ์ไปตามธรรมชาตินั่นแหละกระทบแล้วก็ไม่บังคับให้จิตนิ่งนะตามองเห็นก็มีตามันก็ต้องเห็นสิเห็นผู้หญิงสวยนะไม่ใช่ต้องรีบหลับตาถ้าเป็นพระผู้เจ้าให้หลับตานะอย่าไปดูเป็นโยมไม่ต้องไปกลัวมัน อันสวยก็ดูนะอย่าไปแอบดูก็แล้วกันนะน่าเกลียดดูเห็นคนสวยนั่งข้างๆเราดูแล้วใจมันชอบใจมันชอบรู้ว่าชอบเลยดูความเปลี่ยนแปลงของใจดูไปดูไปเออเพอเริ่มสแสดงใจรักแล้วใจเราเริ่มห่อเหี่ยวขึ้นมาเรารู้ทันลงไปเนี่ยแค่นี้เองให้ตาหัวจมูกลิ้นกายใจกระทบอารมณ์ไปตามธรรมชาติธรรมดานะกระทบแล้วเกิดความเปลี่ยนแปลงขึ่ที่ใจรู้ทันไปเลย สุดท้ายปัญญามันจะเกิดนะมันจะเห็นว่าสุขก็ชั่วคราวทุกข์ก็ชั่วคราวกุศลก็ชั่วคราวโลภหลุดหลงก็ชั่วคราวตัวจิตเองก็ชั่วคราวเดี๋ยวเกิดที่ตาเดี๋ยวเกิดที่หูเดี๋ยวเกิดที่ใจนี่แหละการเดินปัญญานะในชีวิตธรรมดาธรรมดาของคนเข้าฌานไม่เป็นนี่แหละนะแล้วอย่าอย่านึกว่าสุดท้ายไม่ได้ผลนะสุดท้ายเข้าสู่ความบริสุทธิ์อันเดียวกันนั่นแหล ะ, ะนะเชิญไปทานข้าวนิมนต์เลครับ